สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิเจพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในประเด็นย่อยที่11ของ20กฎทองคำกฎข้อที่11ดครับกฎของการมาก่อนมาหลังอะไรต้องมาก่อนและอะไรมาทีหลังนะครับในประเด็นที่11หรือหัวข้อที่11นี้ท่านศาสนาอาจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นเขียนไว้อย่างนี้ครับว่าเราต้องให้องค์พระพุทธเจ้าทรงสอนเราก่อน แล้วจึงไปสอนคนอื่นทีหลังเพราะว่าเจนะของพระเจ้าได้ปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่ห้สข้อสพระธรรมอิสยาห์บทที่ห้สข้อสี่โปรดฟังพอจนะของพระเจ้าพระเจ้าได้ประทานให้ข้าพเจ้ามีลิ้นของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงสอนเพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้ที่จะคำชูผู้ที่เหน็ดเหนื่อยไว้ด้วยถ้อยคํา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 พระองค์ทรงปลุกทรงปลุกหูของข้าพเจ้าเพื่อให้ฟังอย่างผู้ที่พระองค์ทรงสอนพี่น้องครับพระธรรมอิสยาห์ข้อนี้เป็นข้อที่ทําให้จิตใจของผมเองนั้นมีความชื่นบานมากเพราะว่าพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ที่พระเจ้าได้เรียกออกมา ให้เป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือขอให้คำปรึกษาคนอื่นๆที่ตกทุกข์ได้ยากคนหลายๆคนที่เหน็ดเหนื่อยลำบากหลายๆคนที่มีปัญหาอุปสรรคมีความทุกข์หลายอย่างในชีวิตพี่น้องครับนี่คือพระกัมภีที่ทำให้ความรู้สึกของผู้รับใช้นั้นชื่นบาน หลายท่านอาจจะไม่ได้เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาแต่ว่าก็เป็นผู้รับใช้ใจสมัครหรืออาสาผู้รับใช้จิตอาสานี่เองครับเป็นผู้ที่ผมนั้นได้เคารพอย่างมากผมชื่นชมอย่างมากครับเพราะว่าจิตอาสาของพี่น้องเหล่านี้เป็นจิตอาสาที่บริสุทธิ์เป็นจิตอ า, าสอ า, าที่ออกมาจากใจที่จะรับใช้พระเจ้าถ้าเขาได้รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง ถ้าเขาได้สัมผัสกับริษฐานุภาพริษเตศของพระเจ้าและพระคุณความรักที่เขาตระหนักอยู่พี่น้องครับพี่น้องเหล่านี้แหละครับจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลืองานของคริสตจักรได้ดีที่สุดพี่น้องครับกลับมาดูในพระธรรมอิสยาครับท่านสตราจารย์ดรฟิลิปเทงนั่นเขียนงี้ครับว่าผู้เผยพระเจะนะอิสยาท่านเข้าใจว่าคนคนหนึ่งสามารถใช้ถ้อยคำ ช่วยเหลือพี่น้องคนอื่นๆแต่เขาจำเป็นต้องรับการสอนเสียก่อนการที่จะสอนคนอื่นตัวเองนั้นต้องถูกพระเจ้าสอนก่อนถ้าคนคนหนึ่งไม่เคยได้รับการสอนจากพระเจ้าเขายอมสอนคนอื่นไม่ได้ถ้าคนคนนึงไม่เคยได้รับการสอนจากพระเจ้า เขา ย, ย่อมสอนคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี้เป็นกระบวนการการสร้างสาวกอีกแล้วครับการที่เราจะสร้างคนอื่นสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกเหมือนกับที่เราถูกสร้างสาวกนั้นเป็นสาวกของพระเจ้าครับไม่ใช่เป็นสาวกของฉันของผมหรือของใครแต่เป็นสาวกที่จะต้องเรียนแบบองค์พระเยซูคริส เราต่างก็เป็นสาวกเหมือนกันเพียงแต่พระเจ้าใช้คนบางคนมาสร้างเราและเราต้องสร้างคนอื่นๆอีกต่อไปครับพี่น้องพี่น้องครับทุกๆุกเช้าพระเจ้าปลุกหูของเราแต่หลายคนน่าเสียดายครับกลับไม่ได้ยินทุกๆกเช้าพระเจ้าต้องการให้เราฟังเพื่อที่เราจะสอน ให้เราฟังอย่างที่เป็นผู้ที่พระองค์ทรงสอนคำว่าผู้ที่พระองค์ทรงสอนนั้นมีความหมายครับก็คือพระเจ้านั้นปรารถนาที่จะสอนเราตรงนี้เองนะครับคำวยากนี้น่าสนใจน่าสังเกตมากผู้ที่พระองค์ทรงสอนพี่น้องครับเราได้รับสิทธิพิเศษที่พระเจ้าจะสอนเราทุกๆเช้า เรากลายเป็นนักเรียนอยู่ในห้องเรียนที่วิเศษที่สุดห้องเรียนที่สูงส่งที่สุดและเรามีครูก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเพี่อนครับลองจินตนาการสมัยเด็กๆหลายๆท่านคงอยากจะเข้าโรงเรียนที่ดีที่สุดโรงเรียนที่ใหญ่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่ดีต้องแย่งกันเข้าแต่ว่านี่เป็นห้องเรียนที่ พระเจ้าเชื้อเชิญเราเป็นห้องเรียนที่พระเจ้าปลุกเราด้วยคิดถึงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคิดถึงโรงเรียนสามุคคริสเตียนที่เป็นโรงเรียน Boarding School พี่น้องครับโรงเรียนหลายลยโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนประจำต้องมีคุณครูคอยปลุกนักเรียนเพราะว่านักเรียนวัยรุ่นนั้นก็นอนเยอะครับแต่พี่น้องครับเวลาที่เราคิดถึงเรื่องต่างเหล่านี้พี่น้อง เราเองนั้นพระเจ้าปลุกเราทุกเช้าถ้าเราไม่ตื่นพี่น้องครับขอพระเจ้าปลุกเราถ้าเราไม่ได้ยินขอพระเจ้าโปรดให้เราได้ยินแต่เพื่อที่หลายคนนะครับฟังเสียงต่างๆนาน า, นานในโลกนี้แต่ไม่เคยได้ฟังเสียงของพระเจ้าเราได้รับฟังเสียงมากมายแต่ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเราได้ยินเสียง ของพระเจ้าแล้วหรือยังพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพระพรเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอพระเจ้าประทานพระคุณความรักของพระองค์มาเหนือชีวิตของเราเพื่อที่เราเองนั้นจะสามารถค้ำชูผู้ที่เหน็ดเหนื่อยไว้ด้วยถ้อยคำขอพระเจ้าให้เรามีลิ้นของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงสอนเพื่อเราจะสามารถดูแลคนอื่นสร้างคนอื่นค้ำชูผู้ที่เหน็ดเหนื่อยไว้ด้วย ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นคำอธิษฐานของผมที่มีไปถึงพี่น้องที่ได้ฟังเสียงสอบอททุกเช้าครับขอให้พระเจ้าสอนเราก่อนแล้วเราจึงไปสอนคนอื่นทีหลังครับขอความเมตตาของพระเจ้ามาถึงพี่น้องทุกท่านขอพี่น้องได้โปรดอธิษฐานเผื่อข้าพระเจ้าด้วยเผื่อผมด้วยเผื่อผู้รับใช้ที่ต้องใช้ถ้อยคา ในการหนุนจิตชูใจในการที่จะให้กําลังใจคำพิชูบรรดาลูกแกะของพระเจ้าและขยายวงออกไปถึงผู้ที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าครับบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักพระเยซูบอกว่าจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขพี่น้องครับเรากําลังพาคนมาหาพระเยซู เพื่อที่ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยผู้ที่แบกภาระหนักนั้นเขาจะได้วางภาระของเขาไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยเราทั้งหลายทุกคนครับพี่น้องครับพระเยซูทรงห่วงใยเราทั้งหลายทุกคนเราสามารถที่จะวางแอะของเราวางภาระของเราวางความหนักหนาสาหัสหนักหน่วงที่อยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆก็แล้วแต่เราสามารถวางไว วางไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ของเราได้เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยเราทั้งหลายพี่น้องครับขอให้เราเป็นพันธกอนของพระเจ้าที่จะนําถ้อยคําที่หนุนน้าใจทําให้พี่น้องเหล่านี้ได้รับความรอดถ้อยคําแห่งข่าวประเสริฐถ้อยคําแห่งพระกิติคุณครับพี่น้องครับให้เรานึกถึงบรรดาพี่น้องของเราบรรดาเพื่อนร่วมงานของเราบรรดาคนที่อยู่ในครอบครัวของเราครับ ใครก็ตามที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนขอเราอธิษฐานเผื่อเขาให้เขาได้มีโอกาสที่จะรับฟังถ้อยคําของการหนุนน้าใจถ้อยคําแห่งข่าวประเสริฐถ้อยคําแห่งพระกิติคุณและขอให้เราคิดถึงบรรดาพี่น้องในพระคริสต์ของเราในคริสตจักรของเราครับที่ยังไม่มีใครเลี้ยงดูยังไม่มีใครดูแลยังไม่มีใครสร้างเขาขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาสร้างเขาโดยผ่านชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนด้วยครับ amen